แถวนี้ผีดุเจ็ดสถานที่เร้นลับประตูสู่เมืองบาดาลความเชื่อเกี่ยวกับพญา น, นาคยังได้รับความสนใจอยู่อย่างต่อนเนื่องเพราะมีความเชื่อดั้งเดิมที่บอกกล่าวกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยเฉพาะประสบการณ์การพบเห็นพญา น, นาคราชตามสถานที่จริงต่างๆซึ่งอาจจะเป็นประตูสู่เมืองบาดาล เมืองบาดาล น, นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคตามความเชื่อคือเป็นโลกทิพย์ที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเนื้อยกเว้นผู้มีตาทิพย์มีฤทธิ์อภิญญาเท่านั้นที่จะสัมผัสได้เพราะจิตมีความละเอียดและอยู่ในสภาวะที่เป็นทิพย์ขณะเดียวกันหากพญานาคประสงค์จะให้มนุษย์โดยทั่วไปได้เห็นเมืองบาดาลก็จะปรากฏให้เห็นได้เช่นกันซึ่งคนคนนั้นจะต้องมีกรรมสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับพญานาคมาก่อนเช่นเคยเกิดเป็นพญานาค เป็นพี่น้องเป็นบริวารของพาญนานาคราชมาก่อนอย่างไรก็ตามสถานที่โดยส่วนมากซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเมืองบาดาลและอยู่ทับซ้อนกับโลกมนุษย์มักจะเป็นแม่น้ำบึงขนาดใหญ่ภูเขาท้ำที่มีลำธารไหลผ่านมีอากาศที่เย็ยนยเยือกมีน้ำไหลตลอดน้ำไม่มีวันแห้งแม้จะเข้าสู่ฤ ด, ดูแล้งก็ตามเพราะพญา น, นาคเป็นเจ้าแห่งน้าและความอุดมสมบูรณ์จึงไม่แปลกว่า สถานที่ที่พญานาคอาศัยอยู่มักจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำป่าไม้และอากาศเย็นเป็นเอกลักษณ์ส่วนเมืองบาดาลก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปเช่นเป็นเมืองแก้วบ้างเป็นปราสาททองบ้างขึ้นอยู่กับบุญบารมีของพญานาคและกำเนิดของพญานาคในแต่ละชนชั้นสำหรับสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นประตูสู่เมืองบาดาลของพญานาคคราชในประเทศไทยนั้นมีอยู่หลายแห่งดังนี้ 1. ถ้ำวังผาหน้าคราศสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำวังผาพญานาคราศอำเภอโขมเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีหลวงปู่เพิ่มพันธ์อนันโทอายุเจปีเป็นผู้ดูแลบริเวณทางเข้าสำนักปฏิบัติธรรมจะมีรูปปั้นพญานาคมุจลินเจ็ดเศียรสองตนบ่งบอกให้ทราบว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคถ้ำวังผาพญานาคราช จะอยู่ใต้แผ่นหินขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับตะภาพน้ําภายในประดิษฐสถานพระประธานที่แกะสลักจากหินบริเวณที่เชื่อว่าเป็นถ้ำพญา น, นาคของจริงนั้นจะถูกปิดด้วยแผ่นหินจํานวนมากตัวถ้ามีความลึกมากและมีน้ําไหลอ ย, อยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็ตามเพราะมีต้นน้ําไหลออกมาจากใต้ดินทําให้ชาวบ้านเชื่อว่าถ้าแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยหรือเมืองบาดาลของพญา น, นาคราช ลำห้วยแห่งนี้ยังมีความยาวไปถึงแม่น้ำโขงที่ใกล้เพียง5กิโลเมตรเท่านั้นหลวงปู่เพิ่มพันยังเคยมีนิมิตเห็นพญา น, นาคสี่ตนมาเล่นน้ำอีกด้วยสอดคล้องกับความเชื่อของชาวบ้านที่มีการบอกเล่าต่อกันมาว่าลําห้วยแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีพญา น, นาคออกมาเล่นน้ำทำให้ชาวบ้านไม่กล้าเข้ามาใกล้บริเวณ น, นี้ 2. ถ้น้ำเขาสิวะถ้าน้าเขาสิวะอําเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ว เป็นถ้ำที่ถูกค้นพบในปีพุทธศักราช2519หลังจากนั้นประมาณ8ปีมีเรื่องเล่า ว, ว่าได้มีชาวบ้านเห็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีลำตัวยาวสีแดงและว่ายน้ําเวียนขวาคล้ายกับการเวียนขวารอบพระอุโบสถทําให้ชาวบ้านเชื่อว่าบริเวณนั้นอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรากฏอยู่และเชื่อว่าการพบเห็นสิ่งมีชีวิตที่มีลำตัวเป็นสีแดงนั้นน่าจะเป็นพญานาคคาราชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างศาลปู่นาคาขึ้นมา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าปากทางเขาถ้ำน้ำเขาซิวะเพื่อให้ผู้คนที่เดินทางผ่านมาได้สักการะบูชายังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับถ้ำน้ำเขาซิวะอีกว่าครั้งหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ได้ลงไปสํารวจภายในถ้าด้วยการดำน้ําลงไปจนถึงบริเวณปลายสุดของถ้าและพบว่าเป็นทางตันและมีความลึกมากเจ้าหน้าที่คนนี้ได้กลับขึ้นมาบอกว่าเขาได้ดำน้ําลงไปจนถึงบริเวณที่ลึกที่สุดแล้วเห็นบางอย่างใต้น้ํามีลักษณะคล้ายคลึงกับเมืองบาดาล ความเล่นลับน่าค้นหาภายในถ้ำน้ำเขาศิวะแห่งนี้จึงทําให้มีความเชื่อว่าถ้าน้ำเขาศิวะเป็นอีกหนึ่งประตูสู่เมืองบาดาล 3. เมืองบาดาลใต้เมืองพลพิสไสความเล่นลับของเมืองบาดาลยังปรากฏอีกหลายแห่งในประเทศไทยหนึ่งในนั้นคือเมืองบาดาลใต้เมืองพลพิสไสจังหวัดหนองคายเนื่องจากจังหวัดหนองคายนั้น เป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวความเชื่อเกอี่ยวกับพญานาคมากที่สุดจึงได้รับฉายาว่าเป็นนครนาคาหรือเป็นเมืองพญานาคนั่นเองมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าในหน้าแล้งจะมีหาดทรายปรากฏขึ้นกลางแม่น้ำโขงบริเวณนี้ขึ้นอยู่ฝั่งลาวที่บ้านโดนเมืองปากงึมบริเวณนี้จะอยู่ตรงข้ามกับอำเภอโพน พ, พิสัยเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งในช่วงฤดูแลง้งประมาณเที่ยงวันมีหญิงสาวชาวบ้านโดนรายหนึ่ง ได้มาตักน้ําบริเวณหาดทรายเพื่อ น, นําไปดื่มแต่ปรากฏว่าหญิงสาวได้หายไปอย่างไรร่องรอยในบริเวณหาดทรายนั่นเองเลอแค่เพียงถังน้ําที่วางอยู่พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านโดนได้ตามหาหญิงสาวรายนั้นเป็นเวลากว่าเจวันแต่ก็ยังไม่พบทําให้เชื่อว่าเธอได้ตายไปแล้วย่าพี่น้องจึงจัดงานศพขึ้นที่บ้านแต่เมื่อพลบคืนวันที่เจหญิงสาวรายนั้นก็ปรากฏตัวที่บ้านของเธอเองอย่างน่าประหลาด ภายใต้ความตื่นตระหนกของชาวบ้านโดนต่อมาหญิงสาวผู้นี้ได้เล่าเหตุการณ์ในวันที่หายตัวไปให้ฟังว่าวันนั้นขณะที่เธอกําลังตักน้ําได้เห็นหมูตัวหนึ่งยกเท้าหน้าขึ้นมาเหมือนเรียกให้เธอเข้าไปหาเธอจึงเดินเข้าไปใกล้ๆเหมือนกับถูกสะกดจิตหมูตัวนั้นได้บอกให้เธอหลับตาและพูดว่าจะพาไปเที่ยวเมืองบาดาลเธอก็ทําตามแค่เพียงเสื้อเวลนาทีเธอได้ลืมตาขึ้นมาและพบว่าอยู่ที่เมืองแห่งหนึ่งเหมือนเมืองมนุษย์ พรมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเหมือนบ้านคนทั่วไปแต่จะต่างจากมนุษย์ตรงที่ว่าชาวเมืองมาดานจะสวมเสื้อผ้าสีแดงมีผ้าพันศีรษะเป็นสีแดงพวกเขาจะปล่อยให้ผ้าสีแดงที่พันศีรษะอยู่นั้นให้ห้อยลงมาคล้ายกับงูตัวเธอเองจึงแหงนหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้าปรากฏว่าไม่ใช่ฟ้าสีครามอย่างเมืองมนุษย์แต่เป็นฟ้าสีน้ำตาลขุ่นๆเหมือนกับสีน้ำในแม่น้ำโขงตอนนั้นเองเธอนึกเอ็ดใจขึ้นมาว่าท้องฟ้าลักษณะนี้ไม่เคยเห็นที่ไหน นอกจากแม่น้ำเธอจึงเชื่อว่าตอนนี้ตัวเธอเองกำลังอยู่ที่เมืองบาดานซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาะทันใดนั้นมีชาวเมืองซึ่งเป็นผู้ชายได้พูดกับเธอว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเมืองบาดานแต่เป็นเมืองหน้าดานส่วนตัวเมืองหลวงนั้นอยู่ถัดจากที่นี่อีกไกลมากและในเมืองบาดานนั้นจะมีการจัดงานสมโพธิเฉลิมฉลองเมื่อถึงวันออกพรรษาของทุกปีแต่ในช่วงเข้าพรรษาชาวเมืองบาดานหรือพญานาคทุกตนจะจำศีลปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการถวายพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายในเวลา7วันของเมือมนุษย์หญิงสาวผู้นี้ได้เดินเที่ยวเมืองบาดาลจนทั่วซึ่งเธอบอกว่าเป็นเวลาไม่นานเมื่อเทียบกับระยะเวลาของเมืองมนุษย์ที่ล่วงเลยเวลามากว่า7วันจากนั้นพญานาคที่จำแลงกายเป็นหมูซึ่งปรากฏร่างทิพในเมืองบาดาลเป็นชายก็ได้พาเธอกลับขึ้นมายัางโลกมนุษย์เขาบอกให้เธอเดินไปเรื่อยๆเพียงแค่ชั่วเวินาทีเธอก็ได้ขึ้นมาปรากฏอยู่บนหาดทราย และเดินทางกลับไปยังบ้านของตนจนพบว่าที่บ้านได้จัดงานศพให้กับตัวเธอนั่นเองแต่ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากที่หญิงสาวชาวบ้านโดนรายนี้ได้กลับมายัางโลกมนุษย์แล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานนักเธอก็เกิดอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันเรื่องราวการท่องเมืองบาดาลของหญิงสาวชาวบ้านโดนรายนี้ผู้คนในละแวกนั้นต่างบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนและถูกเล่าต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันทําให้พวกเขาเชื่อว่า พยานาและเมืองบาดาลที่อยู่ใต้ลําโขงนั้นมีอยู่จริง 4. แก่งอาฮงเมืองหลวงพญานาสะดือของแม่น้ําโขงซึ่งเป็นที่รู้จักกันนั้นคือแก่งอาฮงจังหวัดบึงการโดยบริเวณนี้เองมีความเชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของพญานาเพราะแก่งอาฮงนี้จะเป็นบริเวณที่มีความลึกมากในฤ ด, ดูแล้งและยังเชื่อว่าแก่งอาฮงมีถ้าที่ทะลุออกไปตรงภู ง, งู ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ประเทศลาวอีกด้วยเหตุผลที่เชื่อกันว่าบริเวณแก่งอาหงเป็นเมืองหลวงของพญานาคเพราะบ้างไฟพญานาคที่ขึ้นบริเวณนี้มีลักษณะเป็นลูกไฟสีเขียวขนาดใหญ่และมีความสว่างสวัยมากซึ่งต่างจากที่อื่นที่ปรากฏลูกไฟเป็นสีแดงอมชมพูมีเรื่องเล่า ว, ว่าเคยมีผู้เท่าคนหนึ่งเป็นชาวลาวได้ดำน้าเข้าไปในถ้าเห็นว่ามีพญานาคสองตนรักษาอยู่ปากถ้า เพราะในถ้าแห่งนี้มีพระพุทธรูปทองคำประดิษฐานอยู่ถ้าใครที่คิดจะขโมยพระพุทธรูปทองคำหรือสิ่งของต่างๆภายในถา้าจะต้องมีอันเป็นไปหาบึงโขงหลงพญานาคราชผู้อาศัยอยู่บริเวณบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนั้นมีนามว่าปูออ่อือือเป็นพญานาคที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถืออย่างมากและเรื่องราวของปูออ่อือือก็มีมาอย่างช้านานแล้ว ชาวบ้านมักจะมาบนบานสารกล่าวหรือขอพรต่อปู่อือลือที่ศาลปู่อือลือเกี่ยวกับการทำมาหากินการประกอบอาชีพหรือให้ท่านคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยและยังมีเรื่องเล่า ว, ว่ามีคนเคยพบเห็นงูขนาดใหญ่มีเกรดสีเขียวออกดำลอยอยู่ในบึงโขงหลงโดยเชื่อว่าเป็นพญานาคปู่อือลือที่ปรากฏกายให้เห็นในทุกๆปีจะมีการจัดแข่งขันเรือยาวเพื่อเป็นการบวงสรวงปู่อือลือ เพื่อให้ข้าปลาอาหารอุดมสมบูรณ์อีกด้วยหกถ้ำเพียงดินถ้ำเพียงดินจังหวัดหนองคายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นประตูสู่เมืองบาดาลเพราะลักษณะภายในถ้ำที่คดเคี้ยวคล้ายกับลักษณะงูเลื้อยและมีทางที่ค่อนข้างแคบเป็นถ้ำที่มีความมหศัศจรรย์เป็นอย่างมากสำหรับสาเหตุที่ถูกเรียกว่าถ้ำเพียงดินนั้นก็เพราะเป็นถ้ำใต้ดินที่มีปากทางเข้าติด ก, กับดิน ทำให้มองเผินๆแล้วเป็นหลุมธรรมดาธรรมดาเท่านั้นโดยถ้ำเพียงดินแห่งนี้ถูกค้นพบโดยลุงคําสิง์เกตสิริผู้เป็นเจ้าของผืนดินบริเวณปากถา้ำในเวลาต่อมาลุงคําสิงได้มอบที่ดินดังกล่าวให้กับวัดศีมงคลจนปัจจุบันบริเวณถ้ำเพียงดินได้ถูกพัฒนาให้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายอีกด้วยถ้ำเพียงดินยังถูกขนานนามว่าเป็นถ้ำพยานาเนื่องจากภายในถ้ำ ปรากฏโพรงที่สลับซับซ้อนและสามารถทะลุถึงกันได้เหมือนกับเส้นทางเลื้อยของพญา น, นาขนาดเดียวกันโพรงที่ว่านี้ยังปรากฏมีน้ำไหลไปตามทางภายในถ้ำอีกด้วยทำให้มีความเชื่อว่าถ้ำเพียงดินน่าจะเป็นประตูไปสู่เมืองบาดาลที่อยู่ใต้ลำน้ำโขงหรือเป็นเส้นทางสัญจรของพญา น, นาคโดยมีตำนานเล่าต่อๆกันมาว่าเส้นทางของถ้าเพียงดินนั้น เป็นทางสัญจรของทิดาพญานาคตนหนึ่งที่มาพบรักกับเจ้าชายในเมืองมนุษย์เมื่อถึงวันออกพรรษาทิดาพญานาคก็ต้องกลับสู่เมืองบาดาลเจ้าชายได้ตามมาและพบว่าร่างที่แท้จริงของหญิงสาวที่ตนรักคือพญานาคทําให้เจ้าชายตัดขาดความรักที่มีต่อทิดาพญานาคที่ถ้าเพียงดินแห่งนี้ยังมีเรื่องเล่าจากสามเณรรูปหนึ่งที่เคยมานั่งอ่านหนังสืออยู่ปากถ้าเพียงดิน วันหนึ่งมีสามเณรอีกรูปซึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนได้เดินออกมาจากในถ้าและชักชวนให้สามเณรรูปนี้เข้าไปเที่ยวในถ้ำด้วยกันเมื่อเข้าไปได้สักพักสามเณรก็เห็นเสาหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่เรียงรายได้ยินเสียงน้ําไหลอ ย, อยู่เบื้องบนเขาจึงถามสามเณรปริศนาผู้นั้นได้รับคําตอบว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ใต้แม่น้ําโขงถ้าเดินไปเรื่อยๆก็จะไปถึงเมืองเวียงจันทร์ประเทศลาวสามเณรผู้นี้ได้เดินไปเรื่อยๆเป็นเส้นทางที่ยาวมากและเห็นพวงมาลัย ที่ห้อยภายในผนังถ้ำเขาจึงคว้าพวงมาลัยมาห้อยคอจากนั้นตัวเขาเองก็ลอยขึ้นไปข้างบนทันทีรู้ตัวอีกครั้งก็อยู่บนเรือของคนหาปลากลางแม่น้ำโขงแล้วขนาะเดียวกันสามนเณรรูปนี้ได้เล่าเรื่องราวให้กับคนล่าปลาฟังแล้วก็เห็นสามนเณรปริศนาที่พาลงไปเที่ยวถ้ำได้กลายร่างเป็นปลา บ, บึกยักษ์เวังนาคินคาชโนดวังนาคินคาชโนดจังหวัดอุดรธานี ถือเป็นสถานที่ยอดทิตอันดับหนึ่งของคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคเพราะเชื่อว่าบริเวณนี้เป็นประตูสู่โลกบาดาลเพราะโดยรอบพื้นที่เป็นเกาะและยังมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ปรากฏอยู่มีสารปู่พญานาคสีสุดโทซึ่งชาวบ้านได้มาเครารพกราบไหว้อยู่เป็นประจำตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าท่านพญานาคสีสุดโทได้อาศัยอยู่ในเมืองบาดาลโดยใช้เมืองคําชะโนดแห่งนี้เป็นที่ขึ้นลงติดต่อระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองมนุษย์ โดยมีเรื่องเล่าถึงประวัติความเป็นมาของปู่พญายนาคสีสุดโทมาอย่างยาวนานปีพุทธศักราช2 5งพเกิดน้ําท่วมใหญ่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงรวมทั้งท้องที่อําเภอบ้านดุงด้วยแต่น้ําไม่ท่วมเมืองคําชโนดทั้งๆ ท, ท, ที่อยู่บริเวณเดียวกันนอกจากนี้ยังมีตํานานเล่าขานกันว่าในช่วงที่มีน้ําท่วมใหญ่นั้นได้จัดมีการแข่งเรือและประกวดใช้งามที่เมืองชโนดในคําตาทองสีเหลืองซึ่งเป็นชาวบ้านวังทองตําบลวังทอง อำเภอบ้านดุงได้บวชอยู่ที่วัดสิริสุโทโธติดกับเมืองชนอดได้เป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากพระยาสีสุโทโธให้ไปประกวดชายงามครั้งนั้นเขาได้สลบอยู่ที่คานาญาพี่น้องได้ใช้หมอที่มีเวทมนตร์ทางไสยศาสตร์ทําการรักษาจะมีสติฟื้นคืนกลับมาพร้อมกับเล่าเรื่องราวปฏิหารต่างๆให้แก่ผู้อื่นฟังว่าปู่สีสุโทโธได้นําเข้าไปที่เมืองแห่งหนึ่งมีบ้านเรือนสวยงามและมีประสาทของปู่สีสุโทโธปรากฏอยู่ ในคําตาได้ประกวดชัยงามและได้รับรางวัลชนะเลิศจากนั้นปู่ศรีสุดโทก็พาเขากลับมายังโลกมนุษย์เช่นเดิมนอกจากนี้ยังมีอีกหลายสถานที่ที่ประกวดเรื่องราวพญานาคจากประสบการณ์ของพระอริยสงฆ์เช่นพญานาคที่ถ้ำเชียงดาวพญานาคที่ภูบ่อบิดและอื่นๆ อ, อ, อีกหลายแห่งเพื่อนๆมีใครเคยรู้จักสถานที่ที่ต่างจากนี้ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่าจะลองไปหาข้อมูลมาให้อีกขอบคุณมากครับ